พุทธธรรมฉบับรับขยายชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่23บทความประกอบที่6ความสุขฉบับประมวลความเรื่องความสุขบทนี้เพิ่มขึ้นมาในการพิมพ์ครั้งใหม่ที่หนังสือพุทธธรรมแรกมีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งทําให้มีโอกาสเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องความสุขนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนสนใจ จึงได้ตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะเขียนบทเสริมความเข้าใจขึ้นต่างหากจากเรื่องเดิมที่มีหลักตั้งญิงมากและซับซ้อนต่อมาได้รับอารัธนาพูดเรื่องนี้เมื่อ24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555และได้พิมพ์เป็นเล่มหนังสือครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีนั้นในชื่อว่าความสุขทุกแง่ทุกมุมจึงนำความในหนังสือนั้นมาจัดเรียงให้กระทัดรัดขึ้น เนื่องจากเรื่องความสุขในบทนี้เป็นการสรุปสาระจึงมีเนื้อความที่ซ้ำกับเรื่องแรงจูงใจคือเรื่องตัณหาชันทะและเรื่องความสุขในบทก่อนหลายแห่งเพราะเป็นหลักธรรมเดียวกันที่พูดแตกแง่ออกไปขอให้ถือการซ้ำเป็นการทบทวน